ก่อนเข้าพรรษาพวกเราควรจะทําความเข้าใจกันก่อนตามหลักพระวินัยเข้าพรรษาในสเดือนก็อย่างที่ผมได้กล่าวพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติพวินัยจุดนี้เพื่อประสงค์อะไรพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามีคนนับถือเริ่มใสเป็นจํานวนมากจากนั้นก็ได้แสดงตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วต่างคนก็ต่างแสฉงหา สถานที่สงบปีเวกท่นี้พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์น้อยพระสงฆ์มากเป็นร้อยเป็นพันท่านี้เวลาออกเที่ยวทุดงก็ไปเที่ยวทุดงเรื่อยๆเวลาออกไปทุดงก็ไปเหยียบท้องยากเขาบ้างไปเหยียบท้องนาเขาบ้างไปเหยียบคันนาเขาบ้างไปเหยียบไร่เขาบ้างพราะหลายองค์ท่นี้ชาวบ้านเขาเลยติฉินนินทาโพนธนาติเตียนว่าพระสงฆ์ไม่อยู่ในวัดออกไปเที่ยวทําให้พืชท้องไร้ท้องนา คันนาเขาเสียหายจากนั้นการติฉินนินทาและการโ้นทนาก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพระองค์จึงบัญญัติพินัยจําพรรษาเรียกประชุมสงเสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติพินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบัญญัติให้ภิกษุจําพรรษาสเดือนในฤดูฝนภิกษุดใดก็ตามถ้ามเมื่อถึงวันเดือน8เพ็ินแล้วให้จําพรรษาซะก่อน ถ้าไม่จําบรรษาปรับอบัติทุกกฎแต่ถ้าองค์ใดก็ตามถ้าไม่พร้อมสมมติกําลังเดินทางอยู่ ก, ใก็ให้เลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนให้เลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนแล้วอธิษฐานพรรษาแล้วก็ไปออกพรรษาเดือนสิบสอเพนสาเดือนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าองค์ใดไม่จําบรรษาตามพุทธบัญญัตินี้ปรับอบัติทุกกฎเพราะฉะนั้นจึงมีพระวินัยมาตั้งแต่บัดนั้นจากนั้นพระสงฆ์จ็จำพรรษาไม่ให้เที่ยวเตร่ แต่พระองค์ก็มีบัญญัติขึ้นมาอีกว่าพระมีความจําเป็นจะต้องออกไปทําธุระพระองค์ก็เลยบัญญัติสัตทตะกรณียกิจที่จะต้องออกไปจากวัดในพรรษาพระพุทธองค์อนุมัติหรืออนุญาตให้ออกไปได้เจวันเป็นอย่างยิ่งนะถ้าถึง7วันให้กลับมาถ้าว่าไม่ถึง7วันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่องานยังไม่เสร็จแต่มันจะเกิน7วันให้กลับมาก่อนให้กลับมาก่อนแล้วมา น, นอนคืนหนึง่งแล้วออกไปอีก อันนั้นไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าว่าเลยวันที่8ดไปแล้วเป็นอาบัติทุกกฎขาดพรรษาอันนี้ก็คือพระวินยัยสัตหการณียาหนันคืออะไรก็มีหลายๆอย่างในพระวินัยนะอย่างจิติมนสัธายาโยมนิมนต์หรือพ่อแม่ผูู้บาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยลมหายตายจากอย่างนี้ไปในงานศพหรือไปในงานป่วยของท่านอย่างนี้หรือพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้หรือสหธรรมมิเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ แล้วว่าจะไปห้ามพระสหธรรมิกที่จะอยากลาศิษยาไปห้ามเอาไว้อย่างนี้ก็มีห ล, หลายอย่างในภวินัยอันนี้ให้พวกเราศึกษาที่ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนยืดเยื้อยืดยาวเพราะนั้นพวกเราอ่านในการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ทําอย่างไรมีในภวินัยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะจําพรรษาในปีนี้ขอบเขตของวัดเราก็คือกําแพงแผงวัดเป็นขอบเขตยังไม่สว่างอย่าออกไปในพรรษาในอย่างบินทบาทอย่างนี้ อย่าออกไปก่อนอยังไม่สว่างไม่ได้นะพรรษาขาดนะปราประวัติทกฏนะเพราะนั้นอย่าออกไปเด่นด น, น, น, นานันให้สว่างซะก่อนถือว่าเป็นวันใหม่ซะก่อนค่อยๆออกไปนี่แหละให้ระมัดระวังพรรษาขาดไม่ดีนะเหมือนกับผ้าขาดอย่างนั้นคนผ้าขาดมันไม่น่าดูมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยเหมือนละลาบละล่วงหน้าดื้อหน้าด้านตอนรับพระธรรมวินยัยถึงจะบัดเล็กน้อยก็ว่านะ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราระมัดระวังในพรรษานะอยู่ในกรอบของกำแพงนี่แหละสว่างเมื่อไหร่พวกเราอยู่ค่อยออกไปหรือว่ากลางคืนถ้าไม่จําเป็นจริงอย่าออกไปเนี่ถือเป็นหลักพระธรรมวินยัยยึดถือแนวแถวให้มั่นคงแล้วก็ในพรรษาเนี่ยนะให้หมู่พเพื่อนตั้งอกตั้งใจภาวนานะในเรื่งภาวนาอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหา แต่เรื่องการงานเขาให้พระได้ระดับนั่นแหะให้ช่วยๆกันดูพวกที่เป็นงานน่ะให้ช่วยกันดูวิเคราะห์ดูช่วยยังไงไม่ช่วยยังไงเออผมไม่อยากจะให้พระไปช่วยงานทําไมงานหนักหนาจริงๆในขนหินขนทรายนะั่นให้เขาขนเองเถอะนะ อ, อขนไม้คนอะไรถ้าไม่จําเป็นจริงก็อย่าไม่ต้องใช้พระในพรรษานะเนี่ยให้หมูพวกเพื่อนอดอาหาร แล้วกัการอดอาหารสมมติว่าเออผมจะไม่มาเกี่ยวข้องหรอกผมจะอดอาหารอย่างเดียวแล้วก็กิ จ, จวัตรขวอวัดกระสุดแท้แต่พวกท่านจะตกลงกันนะถ้าว่าไม่มาฉันจังหารจริงจริงไม่มาฉันน้ําไม่มาเกี่ยวข้องจะภาวนาอยู่ตามลําพังอันนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาช่วยกันพิจารณาการเป็นกรณีกรณีไปผมว่ามันจะเป็นช่องทางของหมู่พระพระบางองค์หรือเปล่าแพระบางองค์รวยมากพอเปิดช่องให้ จะเนี่กันนะปล่อยปาลาเลยไม่ได้สนใจกิจวัดข้อวัดอย่างนั้นก็จะมีนะเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายควรจะมีกฎเกณฑ์กันช่วยๆกันดูนั่นแหละจะให้ผมดูทุกอย่างคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ า, าวัดป่าศาสนาหรือว่าพอินัยไม่ใช่ของผมผมไม่ใช่เจ้าของหลักพระธรรมพิณัยหลักพระธรรมพิณัยแตคือพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วผมก็องค์หนึ่งก็ต้องเคารพหลักพระธรรมพิณัยพวกท่านทั้งหลายก็เข้ามาแล้วก็ควรจะศึกษาศึกษาแล้วก็พวกท่านอยู่ในกฎไหน ออยู่ในซองไหนผมอยู่ในซองหนึ่งพวกท่านทั้งหลายอยู่คนละซองอยู่ในสานะซองไหนก็ให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักเรื่องของตนนั่นแหละถ้าว่าข้ามขัน้นข้ามซองมาไม่ดีไม่ถูกต้องผมทําตัวเหมือนกระลุกสิทธ์ก็ไม่ได้พวกลูกศิษย์ทําตนเหมือนอาจารย์ก็ไม่ได้เพระนั้นให้รู้จักการวางตัวสําหรับพวกเราและการอยู่ด้วยกันเรื่องการทะเลาะโวแวงกันขัดข้องมองใจกันอย่าได้มีถ้าใครกิตาม ถ้ามีอารมณ์ร้อนโมโหโธโสโกธาให้แกหมูแก่เพื่อนโดยไม่มีเหตุมีผลไม่ได้นะแต่ถ้าวันลงถึงขั้นลงหมัดลโมวยแล้วผมไล่หนีจะกวัดเลยเพราะงั้นไม่มีการไม่ได้ใชยให้ฟังเอาไว้จุดนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะผมพูดมาแล้วถ้าองค์ใดก็ตามบวช้ามาแล้วไม่นดระกิ ร, ริยามารยาทเดิมใช้นิสัยนักเลงโมโหโธโสโกธา ใช้หมัดใช้มวยในวัดน่ดูไม่ดีเเพราะวัดวาศาสนาต้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนเพราะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ลดละกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แล้วเราจะมาส่งเสริมในวัดถูกไหมชาวบ้านเขาให้เรามาทยทานจะตุปัจจัยที่ได้มาได้มาเพราะอะไรเขาได้มาเพราะเขาเลื่อมใสนับถือปูบาอาจารย์ผ้าสง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาไม่ใช่ว่าให้มาเพื่อมาจ้งางพระตีมวยไม่ใช่อย่างนั้นนะพระชคมวยเขาเลยออกของมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเอามาให้เพราะเขาพคารนับถือเเลื่อมใสเพราะพูดใหเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะมาทําบุญทําทานเพนื่อทําสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดถึงใจเขาใจเราเราก็ต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจพวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจจริง เรื่องทั้งหลายจะไม่มีนะไม่มีไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเรามีความ ม, มุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่เว้นเสียแต่พวกเรามาอยู่เป็นวันวันกิจเป็นวันวันไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ฝึกหัดตัดทิ้งใสของตนเองนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายในพรรษานี้พวกเราจะเอาอะไรในความสัจจริงจะทำยังไงในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าไปพูดกั น, กนแนกะแนกันนะอย่าไปพูดเยอะแยนกัน ใครมีหน้าที่อะไรใครจะทําอะไรในเรื่องทําความภาคความเพียรให้พยายามทําเต็มที่ของใครของเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะคปดอย่างนี้ต้องคิดอย่างให้เล่นความเพียรในพยายามเล่นความเพียรในพรรษานี่หมู่พวกเพื่อนเราก็น้อยในกิจวัตรควรวัดกัคงจะไม่มีอะไรมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ไปนั่นแหละแต่ทางนอกอาจจะมีเสียงปกปป ก, ป, ก, ป, ก, ป, กปักบ้างแล้วก็ให้พวกเราหาที่หลบภาวนากลางวันผมดูดูแล้วตีดเหลือยี่สิล้านนะ ให้พวกพ่านทั้งหลายกลางวันไปหาหลบตีเล่นหาภาวนาที่ไหนก็ได้นะแต่กลางคืนยังค่อยกลับมากุฏิแต่ในพรรษาเนี่ผมไม่ให้ย้ายนะใครอยู่หลังไหนให้อยู่หลังนั้นในพรรษานี้ไม่ให้ย้ายกุฏิเพราะงั้นเดอะเว้นเสียแต่ว่ามันมีปัญหาจริงๆแต่ไม้โดนทับหรือว่าร่างคามันผิดปกติอันนั้นก็สุดวิสัยแต่ถ้าว่าเราเลือกแล้วดีแล้วแต่เรา ยักย้ายถ่ายเทขยับไปเรื่อยอนัตไม่ถูกไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่หลังไหนควรจะอยู่หลังนั้นควรจะปรับปรุงให้ดีจากนั้นก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยกุฏิมันไม่ได้ช่วยภาวนากับเราหรอกเราอย่างเราเนั่นนะทําให้จิตใจลนเลอต่างหากหล่อแหละลนเลอจิตใจไม่มั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแล้วนัแล้วก็เปลี่ยนหลังนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดมันเสียหาย เสียหายมากกว่าได้เพราะฉะนั้นไม่ให้เปลี่ยนคุณติดใครอยู่หลังไหนอยู่หลังนั้นจนกว่าจะออกพรรษานะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอกตั้งใจนะการประพฤติปฏิบัติคราวนี้ให้ตั้งใจจริงอย่าเลาะแหลกและ ก, การอยู่การฉันคารมัดระวังอย่างที่ผมเคยพูดเคยกล่าวฉันตามมัธยาจพระน้อยไปดีนะพูดใดอย่างนั้นร่างกายนอะ้วนพีแต่จิตใจนะั้นร้อนรุ่มหาความสุขไม่ได้ผลที่สุดก็นั้นแหะ หาความสุขหาความสงบไม่ได้เพราะจิตใจมันร้อนเพราะส่งเสริมเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนมันเรื่องนี้มันเครื่องกรามมากิเลส ท, ทั้งนั้นเอถ้าเราส่งเสริมจุดนี้เข้าไปมันจะเหยียบย่าทําลายจิตใจของเราจนงอหัวไม่ขึ้นเย่าง น, นั้นแหะกิเลสมันเหยียบเพราะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตนะที่ผมพูดนะเอะสมัยผมเป็นรานน้อยพ่อหนุ่มเห็นไหมในโลกเห็นไหมผอมโกกอ่ะผอมกว่านั้นอีกอ ที่ผมอยู่บ้านตาอนะันนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วยังเป็นเนื้อเป็นเลือดนะนิดหน่อยขึ้นมานะ่นะเพราะฉะนั้นผมสอนด้วยผลบอกหมูไม่ใช่บอกแบบธรรมดาธรรมดานะผมทํามาแล้วผมปฏิบัติมาแล้วนะผมจึงผ่านมรรสุผจุดนั้นมาเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้จากนั้นก็ให้ทั้งอกตั้งใจปฏิบัติาการอยู่การฉันการหลับการนอนและกับการภาวนามรณะนุสติหรือพิจารณาถึงอสุภะต้องให้มากจึงจะผ่านผลตัว น, นี้ไปได้ ทำพวกท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังนะไปไม่รอดนะพูดอย่างนั้นได้นะ